จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2552ตรงกับวันแรมสิบ้าค่ำเดือนเจ็ด เป็นวันพระวันธรรมมัตสวนณะวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธพุทธบริษัททั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทาหน้าที่ทานุ บ, บำรุงดูแลรักษาจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ชีวิตของพวกเรานั้นมีหน้าที่อยู่สามส่วนด้วยกันหน้าที่ส่วนแรกคือหน้าที่การทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะถ้าไม่มีปัจจัยสี่ไว้ดูแลร่างกายก็จะไม่สามารถอยู่ไปได้ดังนั้นหน้าที่แรกที่จำเป็นต้องทำ ก็คือการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทำกันมาในระยะ6วัน7วันที่ผ่านมาท่านก็ต้องไปทำงานทำการไปทำมาค้าขายเพื่อให้ได้มีรายได้เข้ามาจุงเจือชีวิตของตนร่างกายของตนถ้าขาดประจัยสี่ ก็จะไม่สามารถอยู่ได้แต่ถ้าเราพอมีพอกินแล้วเราก็ควรหันเข้ามาที่วัดเพื่อมาทำหน้าที่ที่สำคัญกว่าหน้าที่ของร่างกายคือหน้าที่ของจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุข ให้ความทุกข์กับเราถ้าเราดูแลรักษาจิตใจให้ดีใจก็จะให้แต่ความสุขกับเราถ้าเราไม่รักษาใจดูแลจิตใจให้ดีใจก็จะให้แต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจกับเราอย่างวันนี้พวกเรามาวัดก็เพื่อมาดูแลรักษาใจของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะเข้ามาดูแลรักษาใจสักหนึ่งครั้งถ้าเรามีเวลาว่างตรงกับวันพระเราก็เข้าวัดในวันพระถ้าเราไม่มีเวลาว่างเพราะการงานนี้ไม่หยุดตรงกับวันพระเราก็มาในวันหยุดของเราแทนก็ได้ เช่นมาวันเสาร์หรือมาวันอาทิตย์เพราะจะเป็นวันอะไรนั้นไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเรามาวัดถ้าเรามาดูแลรักษาใจของเราด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราได้ดูแลรักษาใจของเราแล้ว จะเป็นวันพระก็ได้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้หรือวันอื่นก็ได้ไม่สาคัญวันไม่สำคัญสำคัญที่การกระทํานอกจากหน้าที่สองอย่างที่เราทํากันแล้วเราก็ยังถูกหลอกให้ไปทาหน้าที่ที่ไม่ควรจะทานั่นก็คือการแสวงหาลาบยศสรรเสริญสุข นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะกระทำกันเพราะเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มีกาลังมากขึ้นให้เจริญเติบโ ต, ตมากขึ้นกิเลสตัณหาเจริญเติบโ ต, ตมากขึ้นเพียงใดความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะมีมากขึ้นไปตามลาดับดังนั้นการแสวงหาราบยศสรรเสริญสุขรนี้จึงควรที่จะลดจระ ไม่ควรที่จะส่งเสริมควรเอาเวลามาแสวงหาธรรมะดีกว่าราแวสวงหาความดีเพื่อที่จะได้ทำให้จิตใจของเราเจริญก้าวหน้าให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะดีกว่าถ้าเราแสวงหาแต่ลาบยศสรรเสริญสุข ใจิตใจของเราก็จะถูกผูกมัดให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะความโลภความอยากนี้ไม่ได้หมดไปด้วยการได้มาในสิ่งที่เราต้องการที่เราโลภที่เราอยากได้แต่กลับจะทำให้โลภมากขึ้นทำให้มีความอยากมากขึ้นดังในพระบาลีที่ทรงตรัสไว้ว่า แม่น้ำลือน้ำในมหาสมุทรนี้ถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็ยังมีขอบมีฝัง่งแต่ตันหาความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝัง่งกว้างใหญ่ไพศาล ย, ยิ่งกว่าทองฟ้าเสีย อ, อีกอเราจึงต้องควรระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความโลภความอยาก เรื่องของกิเลสตัณหาต่างๆอย่าให้มันหลอกเราไปสแสวงหาราบยศสารเสริมสุดเพราะมันจะไม่ทำให้เราเจริญขึ้นแต่อย่างใดมีแต่จะทำให้เราเสื่อมลงถ้าเราสแสวงหาด้วยวิธีที่ไม่สุดเจริญเช่นข่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดป่วหมดเทิ การสวงหาของเราก็จะดึงจิตใจลงสู่ที่ต่ำลงไปสู่อบายไปสู่เปลยไปสู่นรกไปสู่เดรัจฉานเพราะการกระทําที่ผิดศีลผิดธรรมเพื่อแสวงหาราบด้วยสารสุกนี่ราบด้ดยสารสนุกนี้ไม่ได้ให้ความสุขแก่ใจเราอย่างแท้จริงมีแต่จะสร้างความหิวความอยาก ความทุกข์ความกวนกวายความห่วงใยความอะไรอาวาความเสียดายความเศร้าหมองความเศร้าโศกเสียใจทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันก็ทุกข์เพราะเราแสวงหาลาบยศสารเสริญสุขนี้เไม่ได้ทุกข์กับเรื่องอะไรได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วาได้วาก็อยากจะได้ไปเรื่อยๆ นั่นเป็นนร้อยก็อยากจะเป็นนาพันเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลเป็นนายพลก็อยากจะเป็นไปนานานหรือเป็นสูงกว่า น, นั้นไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่มีความพอแล้วจะไม่มีความสุขความสุขนั้นอยู่ที่ความพอความพอนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรามาทำหน้าที่ ทางด้านจิตใจที่พระบุตรเจ้าทรงมอบหมายให้แก่พวกเรากระทำคือให้เรามาทำบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมละบาปทั้งปวงและชาระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์นี่จะเป็นวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างความอิ่มสร้างความพอเป็นวิธีดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง ดบได้ด้วยการกระทำทั้งสามประการนี้ความดีหรือบุญทั้งหลายก็อย่างที่เรามาทำกันในวันนี้เรามาเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเสียสละเวลาอันมีค่าของเรามาทำบุญให้ทานนำกับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานต่างๆมาให้พระภิกษุสมมเณร ที่ต้องอาศัยการเลี้ยงดูจากญาติโยมเมื่อเราทําแล้วเราก็จะทําให้ใจของเรานั้นมีความอิ่มเอิบมีความสุขละเรื่อนลดละความโลภความหยากได้ไปในระดับหนึ่งถ้าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเรานำเงินก้อนนี้มาทำบุญเราก็จะมีความสุข เงินก้อนนั้นก็จะไม่เป็นภาระกับเราต่อไปเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวงไม่ต้องเสียใจถ้าเกิดเงินหายไปแต่ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปไปเที่ยวไปหาความสุขมันก็หมดไปใจของเราก็มีความสุขเดียววในขณะที่เราไปเที่ยวแต่หลังจากนั้นแล้ว ใจของเราก็จะมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีความอยากไปเที่ยวอีกเราก็ต้องหาเงินมาอีกเพื่อจะไปเที่ยวเที่ยวแล้วก็ต้องหาเงินมาอีกไม่มีคำ ว, ว่าพอแต่ถ้าเราเอาเงินนี้มาทำบุญเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจพอใจเรากลับไปบ้านอยู่เฉยๆก็ไม่รู้สึกเศร้าซ้อยน้อยเหงาว้าเว ไม่รู้สึกว่าจะต้องออกไปเที่ยวที่ไหนเพราะบุญที่เราทำนี้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอนั่นเองนี่แหละคือวิธีที่จะดูแลรักษาใจของเราให้มีความสุขมีความสบายด้วยการทาบุญและประการที่สองด้วยการละบา เพราะการกระทำบาปจะทำให้จิตใจของเราวุ่นวายทำให้จิตใจของเราหวาดระแวงหวาดกลัวเพราะเมื่อทำอะไรที่ไม่ดีแล้วก็กลัวจะถูกลงโทษนั่นเองกลัวผลบาปจะตามมามก็เลยทำให้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่อย่างกวลกระวายกระสับกระส่าย เป็นเหมือนวัวสันหลังหวด ท, ทั้งที่บางทีไม่มีใครเขารู้ว่าเราทำอะไรไปแต่เรารู้พอเราเห็นตำรวจตำรวจเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้มาตามจับเราแต่เพียงเห็นตำรวจใจของเราก็สั่นแล้วใจของเราก็ผวาแล้วเพราะเราไปทำบาปเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบา เราจะไม่รู้สึกหวั่นไวหวหวาดกลัวกับอะไรเพราะว่าใจของเราไม่ได้ไปทําอะไรเสียหายนั่นเองไม่ได้ไปทําบาป ก, การรักษาศีลจึงเป็นการทาให้ใจอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดไม่ต้องหวาดวิตกกังวลกับภัยต่างๆที่จะตามมาเพราะไม่ได้สร้างภัยขึ้นมานั่นเองอนี่คือ อา น, นิสงส์ที่เกิดจากการรักษาศีลในปัจจุบันและถ้าตายไปศีลนี้ก็จะเป็นตัวที่จะส่งให้เราไปสู่สุคติไปเกิดเป็นเทพไปเกิดเป็นมนุษย์แทนที่จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไปตกนรกเราก็จะไปเกิดเป็นเทพเป็นมนุษย์แทนเพราะศีลเป็นเหตุ ที่จะทำให้เราไปเกิดในสุกตินั่นเองอย่างในท้ายสิ่์ที่ได้แสดงไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าซีเลนะสุขติยันเตสิ่ส์เป็นเหตุที่จะนำพาไปสู่สุกติความปรารถนาดีของเราเองก็ดีด้วยของผู้อื่นก็ดีที่ต้องที่จะให้เราไปสู่สุกตินั้นไม่ได้เป็นเหตุ อย่างเวลาคนตายเรามักจะพูดว่าขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบขอให้ไปสู่สุขติอันนี้เป็นความปรารถนาดีแต่จะไปได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้อยู่ที่ความปรารถนาดีนี้แต่อยู่ที่ศีลของบุคคล น, นั้นของผู้ที่ตายนั้นว่าเขาได้รักษาศีลมากน้อยเพียงไรถ้าได้รักษาศีลมากโอกาสที่จะไป ไปสู่สุขติก็มีมากถ้ารักษาศีลน้อยโอกาสที่จะไปสู่สุขติก็มีน้อยอยู่ตรงสินนี้ไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งสิ้นดังนั้นถ้าเราอยากจะไปสู่สุขติไม่อยากจะไปสู่อบายเราก็ต้องรักษาศิลให้ได้มากเท่าที่เราจะสามารถรักษาได้ ถ้าเราสามารถรักษาได้เท่ากับพระโสดาบันคือจะยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตถ้าจะต้องเสียศีลไปจะไม่ยอมเสียจะยอมเสียชีวิตแทนถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายเลยเช่นพระโสดาบันนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นกฎแห่งกรรมแล้วว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังนั้นท่านจะไม่กล้าทำบาปท่านจะไม่ทำบาปเลยถึงแม้จะต้องเสียชีวิตไปก็ยอมเสียชีวิตแลกกับศีลธรรมที่มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตเพราะชีวิตนี้อยู่ไปถ้าทำบาป ก, ก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเพราะตายไปจะต้องไปใช้เวรชายกรรมต่อ แต่ถ้าอยู่โดยรักษาศีลได้หรือตายด้วยการรักษาศีลตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็ได้ไปสวรรค์หรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยนี่คือสิ่งที่พระสุดาบันเห็นท่านถึงไม่กล้าที่จะทำบาปอีกต่อไปเมื่อท่านไม่ทำบาปแล้วจิตของท่านก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่คืออนิสง์ของศีล ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจุบันและในส่วนของอนาคตพวกเราจึงควรให้ความสำคัญต่ อ, อการรักษาสิอย่าไปเห็นว่าการรักษาเข้าของเงินทองนั้นสำคัญกว่าการรักษาสิเพราะจะทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมอย่าไปเห็นว่าการรักษาชีวิตร่างกายของเรานี้สำคัญกว่าการรักษาสีน าะจะทำให้เราต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นเวลาที่เราไม่มีอาหารรับประทานไม่มีเงินซื้ออาหารมารับประทานเราก็ต้องไปยิงนกตกปลาเพื่อให้ได้มีอาหารรับประทานอย่างนี้ไม่คุ้มค่าอยู่แบบนี้อยู่ไปเพื่อรอไปนรกรอไปอบายสู้ตายไปแล้วไปสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะดีกว่า ถ้าตายด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราทําเป็นหน้าที่ทางด้านจิตใจทําบุญแล้วก็รักษาศีลแล้วก็มาชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะเราไม่รู้จักวิธีชําระจิตใจ เราก็ต้องศึกษาได้ยินได้ฟังวิธีชำระจิตใจก็มีอยู่สองขั้นด้วยกันคือสมาธิและปัญญาหรือสมาธะและวิปัสสนาที่เราจะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้จะหมดไป ถ้าเรามีสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือเหมือนกับเป็นผงซักฟอกกับน้าไว้ซักฟอกซักฟอกเสื้อผ้าให้สะอาดถ้าไม่มีน้าไม่มีผงซักฟอกจะซักเสื้อผ้าได้อย่างไรฉันใดถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะทำจะซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างไร ต้องมีสมาธิและมีปัญญานี่คือเหตุที่พวกเราต้องฟังเทศฟังธรรมกันเพราะเราจะได้รู้จากวิธีแล้วเราก็ต้องมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันเพื่อจะทำให้จิตมีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาและเราก็ต้องจเจริญปัญญาจเจริญอนิจจทุกขังอนัตตา พิจารณาอนิจังทุกขังอนัตตาเช่นพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเพราะนี่คืออาวุธที่จะทำลายกิเลสตัณหาต่างๆได้ถ้ามีกำลังและมีอาวุธแล้วกิเลสตัณหาก็จะสู้รางไม่ได้กิเลสตัณหาก็จะล้มระเนระนาดไปหมดเหมือนกับที่ล้มระเนระนาดกับ พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายกิเลสตัณหาสู้พระพุทธเจ้าสู้พระอาหารหันต์ไม่ได้เพราะท่านมีกำลังมากมีสมาธิท่านมีอาวุธที่แหลมคมคือปัญญา <Okay. S 1> เมื่อมีทั้งสองส่วนนี้แล้วจิตใจก็จะสะอาด บ, บริสุทธิ์เมื่อสะอาด บ, บริสุทธิ์แล้วจิตใจก็จะมีแต่ปมังสุข g สุข คือความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่ความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายต่างกับความสุขที่พวกเรามีกันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยมแท้แน่นอนเป็นความสุขเชื่อประเดียวประดาเช่นเราได้อะไรมาเราก็มีความสุขแต่ไม่นานความสุขนั้นก็หมดไปมีความทุกข์มาแทนที่ าะเมื่อมีสมบัติแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยหวงคอยห่วงคอยกังวลและเมื่อสูญเสียไปก็ต้องมาร้องห่มร้องห้เศร้าสศกเสียใจนี่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาววยแต่ความสุขที่ได้จากจิตใจที่สะอาดบริสุทธินี้ไม่เป็นอย่างนี้มีแต่สุขไปตลอด ไม่มีทุกมาเกี่ยวข้องด้วยเลยนี่แหละคือความสุขของพระพธธุทธเจ้าความสุขของพระอหรหันตสาวกทั้งหลายเมื่อท่านได้พบกับความสุขนี้แล้วท่านจึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สารโลกผู้ที่ฟังแล้วมีศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับความสุขแบบนี้เช่นเดียวกัน เช่นพระอรหันตสาวกทั้งหลายในเบื้องต้นท่านก็ไม่ได้เป็นสาวกไม่ได้เป็นอาหารหันต์แต่อย่างใดท่านก็เป็นปุตุชนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้ทาบุญทั้งหลายให้ถึงพรอง้อมให้ละบาบทั้งปวงเสียให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ พอพอได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อเกดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างขมักขมันอย่างไม่ท้อแท้อย่างไม่ท้อถอยจนในที่สุดก็ได้รับได้พบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบเช่นเดียวกันแล้วต่อจากนั้นท่านก็ทำหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้า นำเอาความสุขนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปพระพุทธศาสนาของเราจึงมีอายุยืนยาวานจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีการสืบทอดความสุขนี้เองเป็นการสืบทอดจากใจถึงใจจากใจของพระอาหารหันต์สู่ใจของปุทุชนเพื่อจะได้นำเอาไปปฏิบัติ จนใจของปุุ้ชนนั้นกลายเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วก็นำเอาไปถ่ายทอดอีกต่อเนี่องทำอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องถึง 2,500 กว่าปีแล้ว เ, ร า, เราจึงไม่ควรจะสงสัยในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าจริงหรือไม่ไม่ต้องสงสัยว่านิพพานจริงหรือไม่ไม่ต้องไปสงสัยว่าปรัมมังสุขขังนี้จริงหรือไม่ มีผู้รู้ผู้เห็นนี้มาผ่านมาเป็นจํานวนมากแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีอยู่เพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ทน่นว่าท่านอยู่ที่ไหนกันดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราจึงควรน้อมนำเอามาปฏิบัติน้อมเอามาคร่ควรมามามาดูว่าเราทำอะไรได้บ้าง เราไม่จำเป็นจะต้องทำทุกอย่างในขณะที่เราเริ่มทำในส่วนที่เราทำได้เช่นทำบุญให้ทานเราทำได้เท่าไรก็ขอให้เราทำไปแล้วก็ขอให้ทำให้มากยิ่งขึ้นไปตามลำดับรักษาสิ่งได้กี่ข้อก็รักษาไปก่อนไม่ต้องรักษาทั้งห้าข้ อ, รขอหรือ8ดข้อหรือสามร้อยกว่าข้อหรือสอง้ยยิบเจข้อ เอาเท่าที่เราสามารถรักษาได้ไปก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ขยับขึ้นไปได้เหมือนกับการเรียนหนังสือเวลาเริ่มต้นเราก็เรียนในชั้นอนุบาลก่อนเราไม่ได้ไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเลยเราค่อยก้าวขึ้นไปจากอนุบาลก็ก้าวสู่ชั้นประถมจากชั้นประถมก็ก้าวสู่ชั้นมัธยม จากชั้นมัธยมก็ก้าวสู่ชั้นอุดมศึกษาชั้นมหาวิทยาลายัยเราทำได้เราอย่าประมาทตัวเราเองเราอย่าไปคิดว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาเพราะถ้าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาพระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลายจะไม่เสียเวลามาสั่งสอนพวกเราแต่ท่านเห็นว่าพวกเรานี้มีบุญมีวาสนามีโอกาสที่จะ ได้รับความสุขอันประเสริฐนี้เช่นเดียวกันท่านจึงไม่ท้อแท้ในการเผยแผ่อบรมสั่งสอนสัตว์โลกอย่างพวกเราขอให้พวกเราเพียงแต่น้องเข้ามาปฏิบัติเถิดตามกําลังของเราปฏิบัติไปแล้วเราก็จะปฏิบัติได้มากขึ้นไปเองทำบุญวันนี้เท่านี้คราวหน้าเราจะทำมากกว่านี้ได้ รักษาสินวันนี้ได้เพียงเท่านี้วันหน้าเราก็จะรักษาได้มากขึ้นไปไม่ใช่นั้นแล้วจะมีคนมาถือสินห้าสินปมีคนมาถือสินสิบถือสิน2 2 7ข้อยยจด้ได้อย่างไรเพราะทุกคนเวลาเกิดมาก็เกิดมาโดยที่ไม่มีสินต่างๆติดตัวมาแต่พอเจริญโตโตแล้วพอได้ศึกษาได้ร่ำเรียน พอรู้ว่าการรักษาศีลการปฏิบัติทำการทำบุญนี้มีคุณมีประโยชน์แก่จิตใจก็พยายามทำกันจากน้อยไปหามากจนในที่สุดก็สามารถปฏิบัติได้เต็มที่จนได้บรรลุผลขึ้นมาอ ย, อยู่ที่ศรัทธาในเรื่องต้นอยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมการศึกษาก่อนฟังแล้วฟังให้เกิดศรัทธา วิธีเีฟังให้เกิดศรัท ธ, ธาธก็คือต้องใจต้องตั้งใจฟังอย่าฟังแบบแบบทับพทีในหม้อแกงคือฟังไม่รู้เรื่องขณะที่ฟังใจก็ลอยไปที่เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าฟังแบบทับพทีในหม้อแกงถ้าจะฟังแบบแบบที่ลิ้นกับแกงสัมผัสกันก็ต้องฟังแบบมีสติฟังอยู่ทุกขณะไม่ส่งใจไปที่อื่น ฟังแล้วก็คิดตามพิจารณาตามว่าเป็นอย่างไรพอคิดตามพิจารณาตามก็จะเข้าใจก็จะร้องอ๋อขอว่าเป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะท่านปฏิบัติพระอรหันต์ท่านเป็นพระอรหรันต์เพราะท่านปฏิบัติเราจะเป็นพระอรหันต์ได้เราก็ต้องปฏิบัติเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้ขั้นต่อไปเราก็จะเกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติ อยากจะทำบุญให้ทานอยากจะรักษาศีลอยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเจริญปัญญาเมื่อเกิดความอยากแล้วต่อไปเราก็จะทำได้อย่างสะดวกอย่างสบายเมื่อทำไปแล้วก็จะติดเป็นนิสัยไปะจะทำไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐนี้ ถ้าชาตินี้ตายไปมันก็จะติดไปกับใจของเราจะเป็นนิสัยติดตัวไปที่เรียกว่าบุญบารมีนี่เองบุญบารมีนี่คือนิสัยดีส่วนบาปกรรมนี่เป็นนิสัยไม่ดีเช่นถ้าเราชอบทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่าบุญบารมีถ้าเราชอบกินเหล้าเมายาชอบเล่นการพนันชอบทอเที่ยวเตรชอบความเกลียดคร้าอย่างนี้เราเรียกว่าบาปกรรม ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบประพฤติผิดประเวณีชอบรักทรัพย์โกหกหลอกลวง อ, อย่างนี้เราเรียกว่าบาปกากรรมมันก็จะติดตัวไปทั้งสองส่วนส่วนที่ดีคือบุญบา ร, รมีก็ติดไปถ้ามีส่วนที่ไม่ดีคือบาป ก, ก ร, รมก็ติดไปถ้ามีอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเราสร้างบุญบา ร, รมีบุญบา ร, รมีก็จะติดกับเราไปถ้าเราไม่สร้างบาสร้างกรรม บาปกรรมก็จะไม่ติดกับเราไปมันอยู่ตรงนี้<ม>อยู่ที่ตัวเราเองอัตตาหิอัตโนนาถตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเป็นเพียงผู้ชี้ทางพวกเราต้องเป็นผู้เดินทางนั้นเราถึงจะได้พบกับสิ่งที่เลิศที่วิเศษจึง<ม>ขอให้ท่านจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า ชีวิตของคนเรานั้นสำคัญที่จิตใจเป็นหลักสำคัญที่การดูแลรักษาจิตใจแต่เราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายของเราเพราะถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถดูแลรักษาใจของเราได้แต่การดูแลรักษากิเลสตัณหาด้วยการสแสวงหาราบยศเสริญสุขนี้ไม่ใช่เป็นเป็นการดูแลที่ถูกต้อง ไม่ควรจะดูแลเลยควรจะตัดให้ออกให้หมดไปจากใจเพราะมันจะมีแต่โทษไม่มีคุณแต่อย่างใดจึงขอฝากเรื่องของการมาทำหน้าที่ทางจิตใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา